เรื่องภิกษุณีเข้ารีดเดียรถ์ถีสมัยนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งครองผ้ากาสายะไปเข้ารีดเดียรถ์ถีนางกลับมาขออุปสมบทกับภิกษุณีทั้งหลายอีก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 สมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยินดีการกราบการปลงผมการตัดเล็บการรักษาแผลจากพวกบุรุษภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ยินดีได้